มันก็รูจักถลุหน่อยหน่อยหนึ่งที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็สักว่าสุว่าทุกข์ไม่ใช่จดบุคคลตนเราเขามันก็ไข อ, ออกมาได้ยิ่งกิจที่มันคิดมันก็สักว่ากิดไม่ใช่จดบุคคลตนเราเขา <c oughs> เป็นความคิด ความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจง่ความคิดที่ตั้งใจก็ตามสักว่าเฉยเฉยไม่ใช่ตัวตนอะไรแต่กอนไม่รู้อะไรก็คือตัวตนหมดกายก็เป็นตัวเป็นตนยิ่งเวลามีอาการเกิดขึ้นกับกายก็มีเป็นตัวเป็นตนร้อยเปอร์เซนกูหนาวกูร้อนกูปวดกูหิวกู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 หรือเป็นความสงบความพู่งซ้านก็ดีมันสักแต่ว่าไม่ใช่เราอีกแล้วก็เบานะพมันเห็นไปอย่างนี้ก็เห็นเป็นรูป<อ>เห็นเป็นนามสรุปลงตัวอะไรทีเดียวตอบได้แม่นยำชัดเจนไปนี่คือรูปนี่คือนาม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 พอเห็นเป็นรูปทํานามทาแล้วมันไม่ติดนั้นเราจะบางแต่ก่อนรรมันกำมมีแล้วก็กรรมเ ป, ป เ, เป็นไปเลยแบบนี้พอเห็นเป็นรูปทํานามทามันไม่กำเหมือนเมื่อก่อนมันบาง <c oughs> มันก็บอกไปเลยเลรูป <c oughs> นามเป็นบอก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 ก็ไมโกรธไม่จริงเลยความไม่โกรธไม่จริงความอะไรต่างๆต่างเดียวสงสัยไม่จริงความคิดก็ไม่จริงตัวที่จริงมันมีความเป็นธรรมนี่มันถูกต้องอยู่มันเห็นเนี่ยผิดก็เห็นถูกก็เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นนี่คือความเป็นจริงนั่นเป็นรู้ถอนสมมุติัเหมือย่าง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 อันความพอใจหรือความไม่พอใจมันเป็นงานของเราหร่ว่างานโชคมันไม่มีมันเป็นสมมติบัญญตัติไม่ใช่ปรมา จ, จักรจริงแบบนั้นแต่มันไม่จริงแบบนี้เค่นความไม่เที่ยงมันก็จริงแบบไม่เที่ยงมันจะจริงแบบเที่ยงได้ยังไงไม่เสียเวลาเพราะความไม่เที่ยงเอามาเป็นปัญหา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 พาพระสงไปบินธราบดในรุ่มน้ำในในรุ่มน้ำทงขามีเต่าตัวหนึ่งหาจินอยู่หลแถวเรียมน้ำนั่นมีสุนัขป่าวิ่งมาจะมากินเตา่าเต่ามันขดเอาไว้หวะก็มันเข้าในกระดองสุนัขป่าไรกินไม่ได้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 ตั้งไว้มีสติตั้งไว้ก็เห็นเห็นแล้วก็ไม่เป็นล่ะ่อไปได้เลยทนจากการเป็นเลยเอะไที่มันเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ที่สุดเห็นไม่เป็นท้นจากการเป็นนี่ใบแบบนี้ทางไปแบบนี้ถ้าเห็นแล้วเป็นสุขเป็นสุขทุกข์ป็นทุ ก, ทกไม่ใช่กรรมาฐานนะมันจึงด่วงเกินภาวะเก่า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 เหมือนกันแต่เรามารู้ตัวเองนี่มันก็หยุดแล้วเสือไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ทำลายเราแล้วบางอย่างเรานือว่าจำเป็นเพราะเรามาเห็นเราไม่จำเป็นเลยคลิบจ้อยที่สุดเลยกิเลสพันหน้าตัณหา1 0่อยแปดคิบจ้อยมา ก, มากเหมือนกับว่า เป็นเครื่องประดับ <S <S เป็นเครื่องที่ทางผ่านของเราถ้าจะพูดเราเหมือนกับทางที่เราเหยียบไปตรงนี้นะเหยียบไปเลย <S <S เหมือน <S <S ธรรมจักรธรรมจัก ร, รมกหมุนไปตรงไหนลาบไปเลยคมงูหลงงหมอยความโลภความโกรธความหลงธรรมจักรเหยียบไปนั่นเนี่ยยังจะรู้ว่าจักรแข่งธรรมจัก หาไปเลยล่ะอย่างโต้เจ้าแสดงธรรมจักรธรรมจักได้เป็นไปแล้วทุกไปกำเริอบอีกแล้วไม่มีอะไรกำเริอบอีกแล้วเราจึงได้ชื่อว่าเราจัดสรูปพ้อเฉพาะหน้าแล้วที่มันหมนี่มันหมดไปมันเป็นทางเหยียบไป มีทุกข์มันจึงพ้นทุกข์มีความหลงมันจึงพ้นจากความหลงมัเหยียบไปตรงนี้นะสติเป็นอย่างนี้นะมีปัญหามันจึงเป็นปัญญาถ้าเห็นฉิ่เหล่านี้และ้ะไปทางเดียวกับพระเจ้าเห็นความงงเอาหอนอ น, น, นแล้ะทางแล้วถูกทางแล้วเหยียบมันไปมีสติเหยียบไป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 ศีลก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนกันปัญญาก็เหมือนกันเหมือนกันหมดจึงจึงเป็นการกระทาอันเดียวกันเรานั่งอยู่นี้เราฟังเทศอยู่นี้ฟังธรรมอยู่นี่เหมือนกันหมดได้ยินคงพูดเหมือนกันหลง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 มีสติเรื่อยไปบางทีไม่ได้เปลี่ยนอะ่ะเอา้ามีสติเรื่อยไ ป, ไปอย่ า, ยาไปใช้ใจมันเอากรรมมาถาไว้ก่อนกลับมาก่อน<ป>อย่าไ ป, ไปมันจะไม่มันก็ไม่มากหรอก<ป>หนึ่งคิ ด, ค ด, คดทางกายทางใ จ, ใจอันกายอันใจนี่ก็ไม่มากไอ้ทั่วหลง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 เหมือนนกจะไม้เมื่อนบินไปแล้วไปดูลอยมันมันก็ไม่มีอะไรอันควงผง ม, มันก็ไม่มีลอยอะไรมาแต่เรารู้นั่นแหะทําไมมันยังทุกข์ทำไมจึงปรุงแต่งไปถึงนู่มันเรื่องอะไรลําดับทําไมจึงเป็นงั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้สติไม่มีคําว่าทําไมนี่ต่รู้ไปเลยถ้ายังมีทําไมทําไมอยู่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 การมลราคาเกิดขึ้นอ่อนแอไหวไปกรต้องโกรธความอะไรอ่อนเทียงใดที่ผ่านมาเกิดขึ้นก็ไหลไปอ่อนแอ ไ, ไปอันนี้บอกกามั่งศการมุ่งศ์นึกานการุยกอ่อนแอขี่แพ้สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์คนขี้แพ้คนไม่เข้มแข็ง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 ไม่รู้ว่าเป็นกรรมอะไรเอาชิงเอาจังเพ่งลงไปจ้องลองไปมือจ้องลองไปไม่ยอยากให้เพี้ยนมาเขี้ยบไปลงกลับมาอืมดิ้กหัวใสา่ไปมามือมาติดหน้า อ, อกเพ่งเงินไปติดมือติดหน้า อ, อกยกมือไม่ออกไม่เห็นมาทำวัด ไม่เห็นหมากินข้าวเลยเดิเนไปดูที่ ก, ต, กติกเราเดินไปดูกติกก็อาจารย์อาจารย์ม่ช่วยด้วยไม่ช่วยด้วยเมื่อผมตีจุล่นตั้งแต่ตีสามเลยนะมันไม่รู้ <c oughs> เป็นกำหมดไหลก็ไม่รู้ของแพงไม่ตาแล้วก็แล้วตรวจน้ําแล้วก็แล้ว ไม่นาะพุนยากาไม่อุปชาาณคนนนลอดใจยศประกาศจะมาไม่ออกเลยน้องรอาจารย์มาช่วยด้วยมาช่วยด้วยจะยกออกไม่ออกไปไม่ตาก็แล้วตัวเองเป็นกรรมอะไ ร, ระติดอย่เนี้เราก็ไปดูเราไม่ได้ไปแก้ตรงนั้นอะไรไปเพว่มมาพ่อใหญ่เขาเป็นโยมนะเราเป็นพระ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 หนึ่งผู้ชายสองนะเดิมหลานเสร็จแล้วไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมโอ้ยลืมแล้วผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงคนเดียวผู้ชายสองไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงสองผูง้ชายหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เถีงยงกัน เ, เลยหลวงพ่อจะรู้เลยเก็ผมผมรู้กูหลานของผม <laughs> ยกมือมาเมื่อเอเมือเมา่อมื่อ <laughs> ผมรูนะ้เนาะ หลันหูผมรู้นะแล้วพ่อไม่รูอ้อาจารย์ไม่รู้เราเธอรู้อะไรเราก็ดูงงเราคุยกันอยู่เออมือพอ่อโหวกอะไรนะไม่ทราบมันเพ่งกันแต่ก็ไม่ดีเอาจริงเอาจังนะไม่อยากให้มันหลงหัวโลมันเสีความหลงใจสบายออกมาดูมันสาาามาหัวหัวโลมขงหลงหัวโลมขอมทุกไม่เป็นไรรู้ โลนี่ก็เลื่อมัดเข็มมาปฏิปตาเห็นเป็นผู้ไม่เป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกไม่ใช่เห็นนะ่เป็นอัถฐเขิมถานโยโ ค, โคตึงเกินไปเคียดเกินไปไม่บรรลุ ธ, ธรรมเนะ่ยทีที่บรรลุ ธ, ธรรมต้องเห็นนะเห็นมันมาคิดอะไรขึ้นมามนเกิดอะไรขึ้นมาเห็นมันเบาๆคว่ำไว า, า, าที่เห็นน่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 ตัวเองถ้าจำเอาคนอื่นมันก็ง่ายคิดเอาก็ง่ายเป็นกินทรยานไปเลยนี่มันเห็นจริงๆเลยน่าจะเปรียบเทียบคนรู้จากรูปนามกับที่เขาพูดเกือบสิ่งที่เรารู้จากรูปนามที่เรารู้มันก็ต่างกันอยู่นะจ ย, ะยามมลยาาอาการต่างๆอาจจะรูปแบบจำเอา นี่เราเห็นจริงๆเขาพูดผิดแล้วก็รู้ริงที่เราโอาทิ่งแล้วเขาโอามาใช้อยู่นี่เราเรู้จอเออคนรู้จักรูปนำเลยเป็นอย่างนี้เนอะไม่ใช่หรือเราก็ตอบของเราเองรู้จักรูดนำไม่เป็นอย่างนี้แหละการนั้นการปฏิบัติธรรมเนะ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 แมมันหายเค่ไไรสามสี่ข้างก็ยังไม่เป็นไรแต่มันพูดไม่ได้อยากจะพูดอยู่มั น, ไ ม, น ไ, ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรเป็นส่วนตัวยุแบบนี้ชั่วนาตาปีภาวะไม่เป็นอะไรนะ่ยจึงเป็นชีวิตส่วนตัว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 ทั้วเจ้าก็สอนอย่างนี้แต่ทุกคนก็ทำได้ไมีอยู่กับเรานี่แท้ๆนะให้มันรู้ซื้อมันจะเบ่งบานจเจริญถึงที่สุดเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีมะแลงสอนใส่อาจจะงามกว่าต้นที่มนันมีมะแลงสอนใส่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 เข้าถึงคุณธรรมเบื้องสูงมีอยู่ในคนไม่ต้องไปหาที่อื่นไม่ต้องไปจักมหาที่อื่นมีอยู่แล้วในชีวิตของเราเนี่ย <M> ในความหลงมันก็มีความไม่หลงในความทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์ <M> ในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บ <M> ในความแต่เจอก็มีความไม่แจ่ในความตายก็มีความไม่ตายถ้ารู้ชื่อไปล่เนี่ยนี่เราเบ่งบานถึงที่สุด หมดชิ้นเลยชีวิตของเราเนี่ยถึงจุดหมายปลายทางในว่นมงกุดธทธรรมสูงสุดคือภาะวะไม่เป็นอะไรเพราะมันไม่มีอะไรที่ต้องเป็นอันเป็นไม่สะดวกกันไม่เป็นอะไรกับอะไรไน่ยมันสะดวก น, นี่เรียกว่าเหมือนต้นไมยที่เป่งบาน เกิดโตก็ควน่ะชีวิตเราก็เช่นกันต้องควรใจ้เวลา